ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาของขิตใจนี่ได้มันพอแก้ปัญหาของร่างกายนี่พอได้อยู่อันนี้เกี่ยวแก่วิชาชีพต่างๆหมดนั่นแหละผู้ใด เ, เรียนรู้เข้าไปแล้วก็ทํามาหาเรื่องชีพได้คร่องแคล่วดีจะเริญดีวันนี้เมื่อมาเกิดเป็นปัญหาทางด้านจิตใจเข้ามาแล้วไม่มีทางแก้เลยอันนี้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 ร่วมการร่วมงานกันมันก็ตกไปได้มันก็ไม่ได้ถึงกับเปลียนเปียนอาคาตซึ่งกันและกันแต่นี่มนุษย์เราเนะี่ยมันกิเลสมีหลายอย่างวะทั้งมารนะทั้งทิศิด้วยทั้งโลกทั้งโกรธทั้งหลงนี่สาพัดกิเลสมันครอบงมจิตใจของคนอยู่ เมื่อบุคคลยังละกิเลสเหล่านั้นให้เบาบางไม่ได้มันถึงไม่ยอมหันหน้าเข้าพูดกันเลยพูดกันไม่ได้พอพูดกันไปแล้วโทสะพยาบาทอะไรมันก็เกิดขึ้นในใจมันไม่ยอมกันไม่ลงกันเลยไม่ผ่อนสั้นผ่นยาวหากันเลยอใครก็จะเอาแต่ใจตัวเองเอาแต่ความเห็นของตัวเองว่าถูกคนประเห็นของคนอื่นไม่ถูก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 ต่างคนต่างก็ละความเห็นแก่ตัวลงไปแล้วก็ผ่อนผันหากันไม่ถือรั้นเอาแต่ตัวเอาแต่ความเห็นของตนฝ่ายเดียวสมณะเหล่านั้นจะไม่ได้ทะเลาะวิวาทกันเลยนี่ให้เข้าใจว่าอย่างนี้และนี้ทรงแสดงว่าคารืหัสนั่นจะทะเลาะวิวาทกันบาดหมางกันเพราะอาศัยกรรมคุณเป็นเหตุ ความพอใจในกามคุณความยึดมั่นถือมั่นในกามคุณอย่างเหนิวแน่นอันนี้เป็นเหตุให้เกิดมานะทิฏฐิขึ้นเป็นเหตุให้แก้งแย่งแข่งดีกันเมื่อใครมีความรักใครสิ่งใดพอใจกับสิ่งใดก็จะแสวงหาเอาสิ่งนั้นให้ได้ถ้าใครมาขัดขวางและเป็นนั้นว่า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 การแก้ปัญหาของชีวิตตังกล่าวมานี้อย่งว่าเป็นนักบวชก็อย่างว่านะต่างก็ภาวนาเห็นของสังขารธรรมทั้งพวงไม่เที่ยงมีความเกิดความดับไปเป็นธรรมดาอยู่นั้นก็ละความถือมั่นในความเห็นด่างๆลงไปแล้วเหมือนก็ไม่ได้ทะเลาะวิวาทอะไรกันและไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบอะไรกันเลย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 แสวงหากันจนว่ารอดล้มรอดตาย น, นี่ก็อย่างที่ว่ามาแล้วถ้าบังเอิญเาไปขัดผลประโยชน์ของกันและกันเข้าก็เลยเกิดท่ำหันกันนะผู้ใดเพียงพัมก็เลยตายไม่ได้บริโภคกรรมคุณตามประสงค์ซ้ำเลยอย่างนี้หนละถ้าหากว่าผู้ครองเรือนทั้งหลายได้พิจารณาเห็นโทษแห่งกรรมคุณ อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงรูปเปรียบให้ฟังมานี้แล้วมันก็น่าจะเบื่อหน่ายในการยื้อแย่งกันในการไปแข่งดีกันไปชิงดีชิงเด่นกันหมูนีน่นะมันไม่มีประโยชน์อะไรมีแต่ทุกข์มีแต่โทษถพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วก็จะต้องหาทาง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 เราก็อยู่ร่วมกันไปได้โดยสันติสุขไม่ว่าทางวัดไม่ว่าทางบ้านหากว่าปฏิบัติตามพุทธโอวาทศาสนานี้อยู่ที่ไหนก็เป็นสุขสบายดีตามสภาพโดยเฉพาะเป็นนักปวในี้ยิ่งมีความสุขมากเพราะเมื่อหากว่าอยู่ร่วมกันแล้วไม่ทะเลาะกันมีเมตตาไมตรีจิต ต, ต่อกันและกันสม่ำเสมอไป ทีนี่เมื่อไปเจริญสมาธิภาวนาเข้ากับใจมันก็สงบลงได้ดีใจก็ไม่ฟุ้งเฟ้านเลื่อนร้อยอคนเราถ้าหากว่าทําใจสงบได้แล้วมันก็สบายถึงจะยังไม่บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษอะไรก่อนขอไม่เป็นไรก็ยังมีความสุขอยู่ขอให้ทําใจสงบลงไปอย่าปล่อยให้ความโลภโกรธหลงความมิจฉาพยาบาทเหล่านี้ครอบงำจิตใจก็แล้วกัน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 ไม่ว่าคารืหัดไม่ว่านักบวชหันถ้าผู้ที่ต้องการความสุขจริงๆแล้วมันก็ต้องมาฝึกกิจนี้ให้สงบลงไปเหมือนกันหมดจะเป็นคารืหัดก็ตามเป็นนักบวชก็ตามถ้าทำใจสงบไม่ได้ล้วไม่มีความสุขไม่ได้พบความสุขเลยเป็นอย่างนั้นเพราะว่าความสุขนี่มันหมายถึง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 ให้คำพูดหยาบโลนกระ ท, บ, ะกระทบกระทั่งตนเช่นนี้การกล่าววาจาก็มีสติสัมปชัญญะให้ถูกต้องตามธรรมนองครองธรรมไปอนี่เรียกว่าเป็นปกติการกล่าววาจาในทางภายในใจิตใจก็มีปกติรู้สึกว่าเป็นกลางอยู่ภายในใจนั่น รักษาความเป็นกลางของจิตไว้อย่าให้มันเอ็งเอียงไปข้างรักข้างชังข้างหลงข้างเมาข้างกลัวอ่าหมูนี่บางคนก็เ อ, อไปทําชั่วเก็กลัวก็มีกลัวอํานาจอย่างใดอย่างหนึ่งจากบุคคล อ, อที่แสดงออกมาถ้าหากว่าตนไม่ทําชั่วอย่างนั้น จะถูกอำนาจอันนั้นมันบีบังคับเอาอะไรโมนี้นะเนี่ยเราไม่ต้องกลัวเมื่อเราทําดีลงไปแล้วใครจะมาว่าไงก็แล้วแต่เราไม่มาเราไม่หวั่นไหวนี่เพราะว่าความดีนี่เป็นสิ่งที่ปรารถนาของคนทั่วโลกอันึ้นชื่อว่าความชั่วแล้วนะไม่มีใครต้องการปรารถนาเลยนี่แหละ เพราะนั้นไะเราต้องรักษาจิตที่เป็นกลางนี้ไว้ให้ได้อย่าให้มันเอียงไป <c oughs> แม้เป็นคเรหัสก็รักษาได้เหมือนกันไม่ใช่รักษาได้ตั้งแต่พระภิกษุสามเณรเท่านั้นรักษาความเป็นกลางอย่างเช่นว่าพ่อแม่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 เขาได้ฝึกผลตนมาอย่างนั้นมันเป็นอุปนิสัยผิดตามมามันแก้ไม่ได้ออืเมื่อนึกได้อย่างนี้แล้วก็วางเวขาลงได้เพราะว่ามันเหลอวอิสัยแล้วนี้มันแก้ไม่ได้ถ้าไปขืนไปเศร้าโศกเสียใจกรุ่มใจก็เป็นทุกข์เปล่าๆไม่มีประโยชน์อะไรเนี่ยพ่อแม่ที่ทํากับลูกทําทําจิตใจกับลูกนะต้องทําอย่างนี้ ถ้าใครมันมีบุญวาธนามีสติปัญญาเขาทำดีเอาไปก็ทรงเสริมให้เขาดีไปถ้าใครไม่สามารถที่จะช่วยเหลือได้เอาก็ปล่อยมันไปตามยถากรรมก็เท่านั้นแหละบัด น, นี้ในระหว่างสามีกับภรรย า, าก็เราก็ทำจิตเป็นกลางต่อกันไม่เอียงไป ในการทำชู้จากกันและกันมีความจงรักภักดีต่อกันโดยตรงชักชวนกันสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีธรรมเพื่อให้แก่กล้าขึ้นไปโดยลำดับจนควรจะเต็มบริบูรณ์ตั้งแต่ท่านผู้ได้ตัดสรู้เป็นพระพุท ธ, ธเจ้าเมื่อยังไม่ได้ตัดสรู้เป็นพระโพ ธ, ธิสัตว์อยู่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 แต่นั้นแต่ะชาติเกิดมาในโลกนี้ท่านมาสร้างบุญกุศลสร้างความดีต่างๆไวใ้ในโลกนี้หรือไว้ในจิตใจของท่านเองนั่นแหละเมื่อบุญกุศลมันรวมกําลังกันเข้าเต็มอักตาแล้วอย่างนี้ก็จึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกผู้ที่ไม่ได้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้า ก็ได้สร้างบุญกุศล ส, สร้างบา ร, รมีทรมาเหมือนกันต่างแต่ว่ากว้างและแคบกว่ากันเท่านั้นเองผู้ที่เป็นสาวกนี้ก็สร้างบา ร, รมีแคบกว่าผู้ปารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อสร้างบุญบา ร, รมีมาในภพในชาติบุญบา ร, รมีเต็มลงในชาติได้บุญนั้นก็ดลบรรดานให้ไปเกิด พบพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งเข้าให้เมื่อได้ฟังธรรมเทศนาของพุทธเจ้าแล้วก็ท่านผู้มีอินทรีย์เกียรภาพ ม, มากหรือว่าเป็นผู้มีบุญบา ร, รมียอดเยี่ยมพอแต่ได้ฟังธรรมนิดหน่อยก็สําเร็จอรหันได้ทันทีเลยแต่ท่านที่อินทรียบารมียัง เต็มก็จริงอหอกแต่ว่าพูดถึงคุณวิเศษคุณพิเศษอันนั้นมันยังไม่ยิ่งพอเพราะองค์เจ้าก่อทรงแสดงธรรมไปมากหน่อยหนึ่งจบลงก็ได้บรรลุมรรคผลไปได้อย่างนั้นสำหรับบางแกมพวกนั่นนะ่ะถึงแม่บุญบา ร, รมีเต็มแล้วก็ตาม แต่ถ้าว่าคุณพิเศษอันที่จะให้บรรลุมรรคผลโดยรวดเร็วนั้นไม่มีมีคุณพิเศษที่จะให้ได้บรรลุมรรคผลบางท่านก็ต่อเมื่อจวนจะหมดอายุสังขารจึงบรรลุมรรคผลนิพพานก็มีแต่บางกำพวกเมื่อภาคเพียนพยายามปฏิบัติตามมรรคมีองแปดประการไป ไปถึงระหว่างกลางของอายุพอได้สำเร็จมรรคผลไปก็มีไปถึงวัยแก่ชราลงไปได้บรรลุมรรคผลก็มีนี่มันอุปนิสัยของคนเราที่สร้างบา ร, รมีมาไม่เหมือนกันนะชาวไวัยไหวปริบของคนเรานี่มันเร็วและช้าขั่วกันนี่บางคนก็มีความคิดเชยช้า ค่อยคิดค่อยกลองไปอย่างนั้นเนี่ยอืมแล้วก็ต้องอาศัยเวลานานกว่าจะรู้ความจริงแต่ละอย่างละอย่างแต่บางท่านบางคนมีเฉาไวไหวคลิปรวดเร็วชาวนะจิตตรวดเร็วคิดอะไรก็คิดได้เร็วอืาแก้ปัญหาอะไรก็แก้ได้รวดเร็วอย่างงี้นะ นี่แหละลองสังเกตดูคนเราในปัจจุบันนี่เหมือนกันนะผู้เช่นนี้เนะี่ยเป็นอุคติตันยอยู่เมื่อบุญบารมีเต็มบริบูรณ์แล้วได้ฟังเทศรเจ้าเพียงบาทพระคาถาเดียวเท่านั้นโดยไม่ได้อธิบายอะไรเลยนะยกเป็นพระคาถาขึ้นเท่านั้นเลยจบลงก็ได้ตัดได้บรรลุมรรคผลนิพพานเลยนะเป็นอย่างนั้น <c oughs> คนเรานะ่ะมันถึงยิ่งกวการหย่อนกูกันเนะี่ยเพราะต่างคนต่างมีพื้นเพ ข, ของจิตใจนั้นมาแต่อดีตชาติหนนหลังน่นมันแก้ไม่ตกอืมใครตั้งต้นมาอย่างไรก็ไปอย่างนั้นนี่ทุกคนให้รู้จักชาวนาจิตของตัวเองนะถ้ารู้ว่าตนเองนั้นมีความคิดเชื่องช้าอย่างนี้นะ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 อันนี้แหละมันเป็นความบกพร่องนะให้เข้าใจกัน <c oughs> เราจะไปถือเอาเยี่ยงอย่างท่านผู้มีชาวนาจิตเร็วนั้นไม่ได้ท่านผู้มีชาวนาจิตเร็วนั้นท่านคิดอะไรนั้นได้ว่องไวอออย่างนี้มันมันเรื่องของใครของเราเพราะฉะนั้นทุกคนได้รู้ตัวเองแต่ว่าส่วนมากเน่ย มักจะมีชวาวหนจิตช้าคิดอ่านอะไรไม่ค่อยได้รวดเร็วอย่างนี้แหละเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็อย่าประมาทกันเราต้องพาคเพียรพยายามเพ่งพินิจอยู่ภายในนี้อย่าส่งใจออกไปข้างนอกเนี่ยว่าว่าโดยรวมๆลงแล้วนะถ้าเราเพียรเพ่งพินิจอยู่ภายในนี้แล้ว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 มาแล้วตั้งหลายครั้งหลายหนนาดังนั้นอย่าลืมให้เอาไปคิดไปตรองให้ดีถ้าผู้ใดไม่พิจารณาเรื่องทุกนี้แล้วมันจะไม่พยายามอยา ก, กหาหนทางออกจากทุกเลยอืมเอาทุกกายอย่างนี้นะเอาได้ร่างกายนี้มาแล้วก็ต้องมาประครบประงมกันด้วยความยากลําบากคือย่างนี้ <c oughs>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 นักว่ามีความสบายกว่าชีวิตความเป็นอยู่อย่างอื่นเลยเพราะว่าไม่ได้ขวานขวายหาปัจจัยสี่ด้วยลำพังตัวเองในวสแวงหาไปตามศิลตามธรรมแล้วเสษ จ, จะได้ได้มาอย่างไรก็ยินดีบริโภคใช้สอยเท่านั้นเราไม่ทะเยอะเทะยานในปัจจัยสี่นั้นเกินขอบเขต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 นี่เรียว่ารู้เท่าทุกทางร่างกายนั่นเนี่ยส่วนทุกทางใจนั่นเมื่อเราละอารมณ์ที่ยึดถือไว้นั้นลงไปได้แล้วความทุกทางใจมันก็เบาลงทีเดียวะเช่นมันไปยึดเอาความอยากไว้อยากได้อันใดอันหนึ่งแล้วยืดไร้วิตกวิจาร์อยู่นั่นแหละอย่างนี้นะมันก็เป็นทุกข์แล้วนั่นนะเป็นอย่างนั้นถ้าเราละความอยากอันนั้นซะ ไม่ถือมั่นมันไว้เลยอย่างนี้นะความทุกข์ทางใจที่เกิดจากความอยากได้อันสิ่งนั้นสิ่งนี้มันก็ดับไปอย่างนี้แหละอ้าวถ้ามันเกลียดชังใครขึ้นมาเนยเนี่ยมันก็วิตกวิจารณ์ถึงเรื่องความเกลียดชังอันนั้นอ่าเมื่อเรามากําหนดละความวิตกวิจารณ์เรื่องเกลียดชังอันนั้นเสียความทุก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 ความมิตกกอย่างนี้นยมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ก็กำหนดละมันไปเลยเพราะว่าความคิดเะนั้นมันก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปไม่มีสาระเกณฑสารอะไรไอความทุกข์ทางใจที่เกิดจากอารมณ์ที่ผิดหวังนั้นนั้นมันก็ดับไปเออ น, นี่แหละความทุกข์ทางใจมันเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุหนังกล่าวมานี่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 ถ้าหากว่าพูดกันเอาใกล้ๆเข้ามาอย่างนี้นะผู้ฟังทั้งหลายก็คงจะพอเข้าใจทางดับทุกข์ได้บ้างแล้วเพราะฉะนั้นจึงกลั่นกรองเอามาพูดสู่กันฟังทั้งนี้และทั้งนั้นนะการแสดงออกมาอย่างนี้นะคล้ายๆกับว่ามันจะดับทุกข์ได้ไวๆเลยนะเแต่แท้ที่จริงแล้วไม่ใช่อย่างนั้นเพราะกิเลสนี่มันเหนียวแน่นมาก ความหลงนี่นะนะวเดียวแน่นมากทีเดียวอะมันละเอียดมากไอความหลงนี่นะดังนั้นเราต้องภาคเพียรพยายามพิจารณาอยู่อย่างนั้นเอาถ้าพิจารณาไปหากว่าสมาธิมันอ่อนกำลังลงอาการพิจารณามันจะเฉไปทางอื่นนู่ะมันจะไม่ยืนหยัดอยู่ในเรื่องเดียวนั้น ถ้าเป็นเช่นนั้นก็แสดงว่าสมาธิมันอ่อนกำลังลงแล้วก็หยุดพิจารณาซะก่อนมาพยายามเพ่งลมหายใจเข้าออกเพ่งความรู้สึกอันนี้ให้มันสงบให้มันหนักแน่นลงไปด้วยดีแล้วอย่างนี้ก็จึงเริ่มพิจารณาใหม่นี่อูบายที่การเจริญสมถ่ายปัฒนามันต้องให้เข้าใจอย่างนี้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 เห็นแจ้งด้วยปัญญาแล้วมันกระละลงได้สิ่งใดที่ควรจะลงมือกระทําให้เกิดให้มีมันก็ทําไปได้เพราะมันมองเห็นลูกทางด้วยปัญญาแลว้วเช่นนั้นนะอย่าว่าแต่การงานภายใน จ, ใจิตใจการละกิเลสตัณหาภายในเลยแม้กิจการงานภายนอกที่เราจะต้องทํานี่ก็เหมือนกันนะถ้าว่าเราอาศัยสมาธิเป็นที่ตั้ง แล้วเพ่งพิจารณาไปอย่างนี้มันสามหรถมองเห็นช่องทางได้มองเห็นช่องทางที่จะทำการงานอันนั้นให้สำเร็จลุล่วงไปได้ตามเป้าหมายถ้าว่ามันติดขัดตรงไหนเราเข้าสมาธิแล้วเมื่อใจตั้งมั่นเอาไแล้วพิจารณาเข้าไปนี่มันก็เห็นรู้ทางที่จะแก้ไขไอ้ข้อขัดข้องที่มัน แก้ไม่ตกนั้นได้เห็นช่องทางได้เมื่อทำใจสงบลงไปแล้วนะอันนี้ฉะนั้นอย่าไปลืมข้อนี้นะถ้าเพื่อลืมหลักสูตรอันนี้แล้วไม่ได้ความแล้วทำอะไรก็มักจะเหลวไหลไปเมื่อเมื่อทำการงานภายนอกนี่เหลวไหลไปแล้วนี่งานภายในใจมันยิ่งเล้าใหญ่เลยนะ ยิ่งไปไม่รอืมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่าไปลืมถ้าอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นสำคัญสาคัญเนี่ยเราต้องทำสมาธิซะก่อนก่อนที่จะแก้ไขอุปสรรคอันนั้นต้องทำใจให้สงบลงไปจากอารมณ์ต่างๆอารมณ์ที่มันคิดว่าวุ่นอยากอยากแก้ไขเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยต้องงดลงไว้ก่อนไม่ต้องคิดมัน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 มันก็ใช้ทัศนะอย่างเดียวกันนี่แหละคือใช้การฝึกอบรมจิตให้สงบแล้วก็อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นแนวเดียวกันเลยนั้ น, นการแก้ไขอุปสรรคความขัดข้องในครอบครัวตัวเรือนก็เหมือนกันส่วนมากคนนะมันไปแก้ไขความขัดข้องด้วยอารมณ์อันวู่วาม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 ได้มันนั่งสมาธิภาวนาไม่ท้อไม่ถอยเมื่อได้โอกาสเวลาไหนก็นั่งสมาธิภาวนาสะกดจิตนี่ให้มันสงบลงไปพาเพียรพยายามถ้าทำลงไปโดยรวดเร็วมันสงบไม่ได้ก็ภาเพียรไปไม่ท้อไม่ถอยทำภาคเพียรพยายามไปอยู่นั้น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 ความคิดของกิดในมันว่องไวที่สุดเลยนะอย่างนี้อ่ะมันไวยิ่งกว่าลมโ น, นนะดังนั้นถ้าหากว่าบุคคลไม่ฝึกสติสมบัจจชน ญ, ญานี้ให้แหลมคมหรือให้กล้าแข็งเข้าไปอย่างนี้มันจะไม่รู้เท่าความคิดของตัวเองเลยจนหลงคิดไปในทางผิดจนว่ามันเกิดความร้อนใจขึ้นมาแล้วนนจึงรู้ตัวอย่างนี้นะ แล้วมันแก้ยากลากเกนะินน่ะถึงขั้นนั้นแล้วนะนี่แหละเพราะว่าจิตนี้มันไม่มีรูปร่างดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละอืดังนั้นท่านจึงสอนให้กําหนดเอาความรู้นั้นเป็นเครื่องหมายของจิตออย่าไปอย่างอื่นอย่าไปลังเลสงสัยอย่างอื่นว่าเอะจิตนี่มันคืออะไรหนอทําไมมันไม่มีรูปมีร่างอะไร อย่างนี้ไม่ควรจะไปสงสัยอย่างนั้นควรกำหนดเอาความรู้นั่นแหละคือดวงจิตแต่ว่าคำว่าดวงจิตหรือความรู้หมดนี้มันก็เป็นเรื่องสมมติบรญญัตต่ตาง ห, หากหรอกถ้าไม่สมมติอย่างนี้มันก็ไม่รู้เรื่องกันเลยดัยงนั้นจึงต้องสมมติเอามาใช้นั่นแหละทีนี้เมื่อจิตหลุดพ้นแล้ว สมมติอันนี้ก็ดับไปอืมดับไปในความรู้สึกของจิตที่หลุดพ้นแล้วนั้นนะอืนั่นแหละแต่เมื่อเวลาจิตยังไม่หลุดพ้นนี่มันก็ต้องสมมุติออกมาใช้อยู่ว่าจิตของเราเป็นอย่างนั้นจิตของเราเป็นอย่างนี้อืมก็เราสมมุติเอาเฉยๆเราคิดแต่เราก็รู้เท่าความคิดความสมมุติอันนั้นไปอื จิตเราวุ่นวายก็รู้รู้ว่าจิตวุ่นวายอย่างนี้นะจิตสงบโรงไปก็รู้ว่าจิตสงบเอาความรู้อันเดียวนั้นในขณะนี้จิตมันวุ่นวายก็กำหนดรู้มันพอกำหนดรู้เท่ามันแล้วมันมันไม่วุ่นวายแล้วมันจะระงับไปแต่ถ้าหากว่าไม่กำหนดรู้อย่างนี้แล้วมันจะไม่หยุดวุ่นวายเลยออ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 ผู้จะพ้นทุกได้เพราะมีความเพียนนั่นนะให้เข้าใจเพียนเพียรให้ขยับเข้ามาทวนกระแสเข้ามาให้มันใกล้กับจิตเข้ามาเรื่อยๆอย่างนี้นะอย่าเพียนส่งคิดส่งความคิดออกไปข้างไกลจากความรู้สึกอันนี้ให้เพียนให้ใกล้เข้ามาเรื่อยๆ เมื่อเพียรใกล้เข้ามาอย่างนี้แล้วพอมันอิ่มอารมณ์นั้นหมดแล้วมันจะรวมลงเป็นหนึ่งได้เลยวันนี้นะอะ่มันอิ่มนี้เมื่อพิจารณาไปอ่าเมื่อมันคิดไปล้วกาหนดรู้ไปรู้ไปอย่างนี้แล้วไปไปแล้วก็เห็นว่ามันไม่มีแกนสารอะไรแล้วมันอิ่มแล้ววนันนี้มันอิ่มความคิดอันน้นแล้วมันก็หยุดลงอ่ พอมันหยุดคิดลงได้มันก็เหลือแต่ความรู้กับสติบัด น, นี้ก็รู้ได้เลยว่าจิตนี่อิ่มอารมณ์ทั้งหมดแล้ว อ, อิ่มแล้วไม่เอาแล้วไม่อยากได้อะไรทั้งหมดในโลกนี้ความรู้สึกในขณะนั้นบัด น, นี้เรามาพิจารณาบัด น, นี้นะเมื่อจิตมันอิ่มอารมณ์มันตั้งมั่นเป็นปกติแล้ว พิจารณาความเคลื่อนไหวความเปลี่ยนแปลงไปแหง่งน้ําแห่งรูปและนอกจากน้าจากรูปอันนี้ออกไปอก็มันเปลี่ยนแปลงแปรผันไปอยู่อย่างนั้นไม่หยุดไม่ยั้งเลยอื้อาวพูดกันอย่างตื้นตื้นว่าเช่นรับประทานอาหารมื้อเช้านี้แล้ว เอาตกมือบ่ายมาพิหิวแล้วอยากอีกแล้วเนี่ความรู้สึกอนไ้มันก็เปลี่ยนไปตามสังขารที่มันแปลผันไปนั่นนะเป็นอย่างนั้นเอาพอถึงพอถึงเวลานอนบันนี้เอาเกิดหิวนอนขึ้นมาแล้ว เ, เป็นอย่างนั้น ถ้าไม่นอ น, นก็เอาล้วกวนก歪เอออย่างนันะก็ไปนอนอพอนอนหลับไปตื่นขึ้นมาก็สบายรู้สึกสบายแล้วนี่ไอความเปลี่ยนแปลงของสังขาร น, นี่นะมันเป็นอยู่อย่างนี้น ะ, อะพอสบายไปแล้วไ ป, ไปถึงเวลานอนไม่ได้นอนก็หิวอีกมาแล้วก็เดือดร้อนขึ้นมาแล้วอยู่ยงนี้แหละ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 ก็สอนตนเข้าไปอ่ะอนี่แหละการที่จิตใจไม่สงบมันก็เป็นทุกข์อย่างนี้รู้ไหมอ่าแล้วเราจะปล่อยใจให้มันพุ่งซ่านอยู่อย่างนี้เลยเออนีคอ่ควรจะเบื่อควรจะนายความคิดอันนี้เพราะมันไม่มีสุขแม้แต่น้อยเดียวมีแต่ทุกข์แล้วก็ใช้อุบายสอนใจเข้าไป พอใจมันเห็นแจ้งตามปัญญาอย่างนั้นนะมันก็เบื่อความคิดเมื่อมันเบื่อแล้วมันก็หยุดคิดตรงไปเองมันนี่นี่อีกอุบายหนึ่งอุบายที่ทาใจที่ฟุ้งซ่านลำคาเนะี้มันสงบลงไปมันมันมีอุบายอย่างนี้ <c oughs> เพราะฉะนั้นอย่าไปทอถอยความเพียรเพราะว่าจิตนี่มันละเอียดมาก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 เมื่อจิตนี่มันวุ่นวุ่นขึ้นมาเอามันก็นึกถึงอุบายอันใดอันหนึ่งมาสอนจิตเข้าไปจิตมันเห็นแจ้งตามอุบายนั้นนะมันก็หยุดวุ่นมานี่นะมันก็ปล่อยก็วางอารมณ์ที่มันยึดบันถือไว้นั่นนะเป็นอย่างนั้นก็อย่างนี้แหละคนส่วนมากนะมันไม่มีความเพียร น, นะเพราะว่าทําความเพียรไปนิดๆหน่อยๆเท่านั้นแล้ว ใจสงบลงไม่ไม่ได้แล้วก็ถอยใช่หยุดเสียไม่ภาคเพียนต่ อ, องี้นะแล้วมันจะได้ผลยังไงแล้วมันจะทําให้จิตสงบหนักแน่นลงไปได้ยังไงอ่ะมันสงบไม่ได้เป็น <c oughs> อย่างนั้น ถ, ถ้าไม่เป็นอย่างว่านี่พระพุทธเจ้าเขาไม่ได้ตรัสภาสิตไว้ดังที่กล่าวมาแล้วแต่ตอนหลังนั่นน่งว่าบุคคล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 อผู้มีชาวนาจิตเร็วมันก็ภาคเพียนไปได้เร็วผู้มีความคิดเฉยชาการทำความเพียรมันก็ช้าเอาก็ไปตามกิริยาจิตของตนนั้นแหละจะให้มันว่องไวเหมือนอย่างผู้ที่มีชาวนาจิตไวมันไม่ได้แต่เมื่อเราเพียนพยายามไปไม่ท้อไม่ถอย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 นี่เมื่อกล่าวโดยรวมๆลงแล้วนะเป็นอย่างนั้นการภาวนานี่นะเพราะว่าอารมณ์แห่งจิตใจของคนผู้ยังมีกิเลสอยู่นี่มันไม่แน่นอนจริงๆนะบางทีมันก็คิดดีขึ้นมาบางทีก็คิดชั่วขึ้นมาอย่างนี้แหละมันมันไม่ใช่ว่ามันจะคิดดีรุ่นๆไปเรื่อยๆ แล้วก็มันไม่ใช่มันอยู่คิดชั่วเรื่อยไปอย่างนี้ตลอดไปไม่ใช่บัดนี้เมื่อผู้มาภาวนามาเพ่งอยู่ภายในเพ่งดวงกิตของตนอยู่อย่างนั้นน ะ, ะเมื่อความคิดชั่วมันเกิดขึ้นมาเราก็ละมันบัด น, น, น, นี้นะเนี่ยเพราะเมื่อมันเผอคิดชั่วขึ้นมาล้วก็ละมันไม่ทงเสริมมันทำว่าความคิดชั่ว พูดถึงอารมณ์ชั้นละเอียดแล้วก็หมายความว่าคิดรักขึ้นมาอ่อนๆอย่างนี้นะแต่เพียงจะคิดรักขึ้นมาในใจเฉยๆนะยังไม่คิดว่าจ ะ, จะไปแสวงหามันในสิ่งที่ต้องการนั้นก็รีบรักมันเลยนะอ่ะก็ถือว่าเป็นความคิดชั่วของวิปัสสนาญาณ พอมันคิดเกลียดชังใครต่อใครสักคนหนึ่งขึ้นมาอย่างนี้นะก็รีบกาหนดละทันทีเลยมันก็เป็นความชั่วชนิดหนึ่งมันเป็นอย่างนี้พอมันมันคิดวิตกวิจารไปถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ไม่ใช่เรื่องดีเรื่องชั่วไม่ใช่เรื่องเป็นบุญเป็นบาปอะไรอย่างนี้นะอันนั้นก็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 ม, มันจำเป็นนะเมื่อภาวนาลงไปถึงขั้นละเอียดเข้าไปแล้วมันต้องเลือกแล้วมาที่นะต้องเลือกอันนี้เป็นสังขารเป็นสภาพที่ถูกปรุงแต่งให้เกิดขึ้นเป็นขึ้นอย่างนี้นะก็อัตภาพร่างกายทุกส่วนนี้นะ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 อวิชชานีมันก็ดับไปโมหะมันก็ดับไปเมื่อรู้ตามความเป็นจริงขึ้นมาแล้วนะมันเป็นอย่างนั้นเช่นอย่างรู้ว่านี่ทุกเป็นของมีจริงแท้เมื่อมีขันห้านีมาตราบใดแล้วทุกก็มีอยู่ตราบนั้นเป็นอย่างนี้ทุกนี้ควรรู้เท่าละไม่ได้อก็ทําความรู้เท่าไป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 โดยอาการดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้